บกทูหกสิบสามอิระิระอชิชิระชิระการตั้งคำถามสองอูบจกะตนรอกตนร์นรดิฉันมีงานอดิเรก ซ์จูกร์มซฟชักซ์จูกร์มซฟชักดิฉันเล่นเทนนิสเทนนิสเีช่เทนนิสสีช่อสนามเทนนิสอยู is, ่ที่ไหนคะเทนนิสเยสาเปอร์ทดชเทนนิสเยสเปอร์ทดช คุณมีงานอดิเรกไหมวอซกรมอูฟาชา ว, ว, วรมอูฟาชาดิฉันเล่นฟุตบอลฟุตบอลเซ ส, สฟุตบอลเซีสอ ส, ส, สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะฟุตบอลเยสอปอร์ทดชฟุตบอลเยสอปอร์ทดช ดิฉันเจ็บแขนเ อ, อ่อเมาส์เอ่อเมาส์ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยสีสลากเมอส์สีสลากเมอสอ์ส ม, อมีคุณหมออยู่ไหมคะวราชิรตดชุวราชิรตดชุ ดิฉันมีรถเซ่มินิเซมาชินาซิดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยเซ่มาตซิลิซิเซมาตซิลิิลดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะมาชินาอุปร์ดิ ที่ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ ส, สวิเตอรส์สสวตเตอร์ีดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยเสจืจดก็ตจีนซีสีเสอจคกีนซี เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะเจรกิจัระมาชินร์ตเดชรกิระมาชินรเดชดิฉันมีจานเซเลอซิเซลอซิดิฉันมีมีดซ่อมและช้อนเซช ซ่าซ่อิเจมุชซิอะเซชิจีซซ่ิเจมุชซิเอะเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะชิอุมเรชิบจิมเิดชิเอชอุมรชิบจิมเรทิดเชิ